اغ, ت ت หน้าที่ของศาสนาทูตดันไม่ใช่อะไรอีกนอกจากการประกาศให้ทราบเท่านั้นแล้วล้อนั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ ลอิบบคุนจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันและแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้นได้ทำให้เจ้าพึงพอใจากาตามจงยำเกรงอละล้อเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความสาเร็จ ي ย่าเพื่อผู้ท ن و ا لا ت ออย่า ع พื่อผู้ที ب د ม ك เชื่ออย่าเพื่อผู้ที่ไม ن รู้อย่าเพื่อผ ل ้ที่รู้อย่าเพื่อผู้ที่ไม่รู้อย่าเทอาผู้ทีม้าทั้งย่า่อ่ย่าถา่มถึงสิ่งเ่างๆหู้าเสิ่งเหล่ผยานั้นถูกเปิดเผย่ึ่้ แล้วมันก็จะก่อให้เกิดผลร้ายของพวกเจ้าและถ้าพวกเจ้าถามถึงสิ่งเหล่านั้นขณะที่อัลกุรอานถูกประทานลงมามันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแก่พวกเจ้าอาลัลลอฮ์ได้ทรงอภัยสิ่งเหล่านั้นแล้วและอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงหนักแน่นเสมอฮาติ ได้มีชนกลุ่มหนึ่งก่อนจากพวกเจ้าได้ถามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านั้น a l ล a h ไม่ได้ทรงให้มีขึ้นซึ่งไบฮุรอและไซบะและวาสิละและหาแต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธสรัทธาต่างหากที่โวยโากความเท็จให้แก่อัลลอฮและส่วนมากในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้ไม่ใช้ปัญญา ล وا, และเมื่อได้ถูกกล่าวแต่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงมาสู่สิ่งที่ร้อนได้ทรงประทานลง ม, มาเถอะและมาสู่ศาสนาทูต ด, ด้วยพวกเขาก็กล่าวว่า เป็นการพอเพียงแกเราแล้วสิ่งที่เราได้พบบรรพบรุษของเราเคยกระทำไว้ถึงแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและไม่ได้รับทางนำอีกด้วยกระนั้นหรือยุมด โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะป้องกันตัวเองผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่ให้อันตรายแก่พวกเจ้าได้เมื่อพวกเจ้ารับคำแนะนำไว้ยังอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดและพระองค์ก็จะส่งบอกแก่พวกเจ้าทั้งหลายในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทาไว้ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين ا ل و ص ي حين الوصية إثنان د و ا ع ِ منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن آتتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ث م ن ا ولو كان ذا قربا ولا ن ك ت م شهادة الله إن أدل من ا ل آ ت م ي ن أ و ب ش ت ه ا تغلاي. การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าขณะมีการทำพินายกรรมกันนั้นคือสองคนที่เป็นคนยุติธรรมในหมู่พวกเจ้าหรือคนอื่นสองคนที่ไม่ใช่ในหมู่พวกเจ้าหากพวกเจ้าได้เดินทางไปในแผ่นดินแล้วได้มีภัยแห่งความตายประสบกับพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะต้อง ก, กักตัวเขาทั้งสองไว้หลังจากละหมาดแล้วทั้งสอง ก็จะสาบานต่อลอหากพวกเจ้าสงสัยว่าเราจะไม่นำการสาบานนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆและแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามและเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลลอ์ถ้ามิเช่นนั้นแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่กระทําบาปโดยทันที แล้วหากได้คนพบว่ า, าพยานทั้งสองนั้นสมควรได้รับโทษ ก็คนอื่นสองคนทําหน้าที่ในตําแหน่งพยานทั้งสองแทนจากทายาตสองคนในหมู่ของพวกเขาที่เป็นผู้สมควรแล้วเขาทั้งสองคนก็จะสาบานต่อรว่าแน่นอนการเป็นพยานพวกเรานั้นสมควรยิ่งกว่าการเป็นพยานของเขาทั้งสองและเราไม่ได้ละเมิดธ้รมิฉะนั้นแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้อด้ธรรม أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين นั่นแหละคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเขาจะนำมาซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมันหรือในการที่พวกเขากลัวว่าคำสาบานจะถูกปฏิเสธหลังจากที่พวกเขาสาบาน ย่อมเกรงอัลลอและจงสะดับฟังเถิดถ้าจริงอัลลอนั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่พวกที่ทำชั่วทั้งหลายวันที่อัลลอจะทรงชุมนุมบรรดาศาสนาทูตแล้วตรัสว่า สิ่งใดบ้างที่พวกเจ้าได้รับการตอบสนองพวกเขากล่าวว่าไม่มีความรู้ใดๆแก่พวกเราเลยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ความเร้นลับทั้งหลาย إذ أ َ ي د ت ك َ ب ر و ح ِ ا ل ق ُ د ُ س ت ُ ك َ ل ِ م النَّاسَ فِي ا ل م َ ه ْ د و َ ك َ ه ل َ و َ إ ذ ع ل َ م ت ك ا ل ك ِ ت ا ب َ و َ ا ل ح ك م َ ة َ و ا ل ت و ْ ر ا ة َ و َ ا ل إ ِ ن ج ي ل وَإذْ تَخْلُقُ مِنَ ا ل ط ّ ي ن ك َ ه َ ي َ ة ِ ا ل ط ي ر ِ ب إ ِ ذ ن ف َ ت َ ن ف ُ خ ُ فِيهَا ف َ ت َ ك ُ و ن ط َ ي ر ا ب إ ِ ذ ْ ن จงรำลึกถึงขนาดที่อัลลอฮฺตรัสแกอีสซาบุตรของมารยาบว่า จงดำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบบเบาอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและขณะที่ข้าได้สอนเจ้าซึ่งคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนาและคัมภีร์ตวรอนและคัมภีร์อินยีลและขณะที่เจ้าสร้างขึ้นจากดินดังรูปนกด้วยอนุมัติ ข, ของข้า และเจ้าเป่าเข้าไปในรูปนกนั้นมันกลายเป็นนกด้วยอนุมัติของข้าและที่เจ้าทําให้คนตาบอดแต่กําเนิดและเป็นคนโรคผิวหนังหายด้วยอนุมัติของข้าและขณะที่เจ้าทําให้บรรดาคนตายออกมาด้วยอนุมัติของข้าขณะที่ข้าได้ยับยั้งและหันเหวงวานอิสโตรีนออกจากเจ้าเมื่อเจ้าได้นาบรรดาหลักฐานอัดชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้ว บรรดาผูา้ฝ่าฝืนในหมู่พวกเขาก็กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากมายากลอชัดแจ้งเท่านั้นและจงรำลึกถึงขณะที่ข้าได้โดนใจแก่อัลฮาวารียีนว่าจงศรัทธาต่อข้า และต่อศาสนาทูตของข้าเถิดพวกเขากล่าวว่าพวกเราศรัทธา ก, กันแล้วและโปรดได้ทรงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้ว ت ت م م ขณาดีอัลฮาวาริยูนกล่าวว่าโออิซาบุตรของมารยำเอยพระเจ้าของท่านสามารถที่จะให้สำหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเราได้ไหมเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา พวกเขากล่าวว่าพวกเราต้องการที่จะบริโภคจากมันและเพื่อที่จะให้หัวใจของพวกเราสงบและเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่า ท่านพูดจริงกับพวกเราและเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นพยานยืนยันในเรื่องนั้นด้วย อิสซาบุตของมรยยมได้กล่าวว่าโอัโลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้วบาลของพวกเราโปรโดได้ทรงประทานสำหรับอาหารลงมาจากฟ้าฟ้าแก่พวกเราด้วยเถิดจะได้เป็นวันรื่นเริงแก่พวกเราทั้งแก่คนแรกของพวกเราและแก่คนสุดท้ายของพวกเราและจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์ท่าน และโปรดได้ทรงประธานปัจัจอย่างชีพแก่พวกเราด้วยเถิดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ประธานปัจัจอย่างชีพอ2ล้อ26อ27ข้ออออออออออออออ ถ้าจริงข้าจะให้มันลงมาแก่พวกเจ้าแล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแน่นอนข้าจะลงโทษเขาโดยที่ข้าจะไม่ลงโทษนั้นแก่ผู้ใดในสากลโลกลีม ข้าสูบขนคมาอยีออัวามาลยสิบพอคุนทุกข์หงทุกข์อินคุทุกลอินคุนกลงขอทกักนลงอลังอุขหลก์อังทุกขอินทกขอินุัขอุง ข, ขอังทอิย เจ้าพูดแก่ผู้คนหรือว่าจงยึดถือชั้นและมารดาของฉั้นเป็นพระเจ้าทั้งสองอืดจากอัลลอฮ์เขากล่าวว่าพระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ไม่เคยแก่ฉั้นที่จะกล่าวสิ่งที่มิใช่สิทธิของฉันหากฉั้นเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมรู้ดีโดยที่พระองค์จะทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของฉันแต่ฉันไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์แท้จริง ระอท่านนั้นทรงรอบรู้ความเร้นลับทั้งหลาย ฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขานอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาฉันเท่านั้นที่ว่าพวกเจ้าจงเคารพสการะต่อหระผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉันและเป็นพระอภิบาลของพวกเจ้าด้วยและฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในหมู่พวกเขาท่านเมื่อพระองค์ได้ทรงรับฉันไปแล้ว พระองค์ท่านก็เป็นผู้ดูแลพวกเขาและพระองค์ทรงเป็นสัตวีพยานต่อทุกสิ่งหาพกพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็คือบาวของพระองค์ท่านหากพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา ถ้าจริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงเดชะรูปภาพผู้ทรงปริชายา Allah ตรัสว่านี่แหละคือวันที่การพูดความจริงของพวกเขาจะอานวยประโยชน์แก่ผู้ที่พูดจริงพวกเขาจะรับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างนั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่อล้อทรงพอพระทัยพวกเขาและพวกเขาก็พึงพอใจต่อพรุง นั่นแหละคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่อัลลอฮฺแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งสิน้นและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง